อตอนนี้ไปเพิ่งพากันตั้งใจความตั้งใจนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตของคนเราทำอะไรถ้าไม่ตั้งใจให้ดีแล้วมันสำเร็จไม่ได้การปฏิบัติธรรมนี่ ก็เหมือนกันเนี่ยต้องตั้งใจจริงๆเอาใจจดจอ่อเข้าไปในอิธิบาตทท ร, รมทั้งสี่พระศาสดาทรงตรัสว่าคุณธรรมสี่ประการนี้ย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ซึ่งไม่เหลือวิสัยเมื่อบุคคลบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในตนแล้ว การงานทุกอย่างมันจะทำไปได้ก็เพราะมันพอใจอออฉันทะควาพมพอใจนี่เป็นบทบาทเบื้องต้นแต่มันต้องมีปัญญาประกอบด้วยถ้าไปพอใจในทางชั่วมันก็ไม่มีประโยชน์มีโทษ แต่พอใจในทางดีทางเป็นบุญกุศลที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเช่นนี้มันก็เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่มีโทษดังนั้นความพอใจในี่จึงที่ว่ามันต้องมีปัญญาประกอบด้วย มันจึงเป็นไปในทางที่ถูกต้องได้เมื่อมันมีความพอใจในการงานสิ่งใดแล้วมันก็ภาคเพียนพยายามเพื่อจะให้การงานนั้นมันลุล่วงไปตามจุดหมายปลายทางดังนั้นจึงว่าความพอใจนี่นะเมื่ออย่างพอใจในการ ประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้เลยเมืม่อพอใจแล้วแม้มันจะฝืนธรรมดาฝืนความรู้สึกในทางจิตใจบางสิ่งบางอย่างมันงโกดเอาชนะความฝืนใจอันนั้นไปได้เช่นอย่างว่าการมาบวชในวัดวาสนานี มัน ก, ก็ย่อมปฏิบัติตามพระวินัยทุกอย่างเลยจะยกเว้นไม่ได้สิ่งใดที่ทรงห้ามไม่ทำแล้วก็ทำไม่ได้ถ้าคืนทำไปก็เป็นโทษอย่างนี้นะอันจะเป็นกเรหัสแต่มันทำได้ไม่มีโทษเมื่อบวชเป็นพระเป็นเนนเข้ามาแล้ว ไปทำนั่นมีโทษเหตุใด จ, จึงต่างกันอย่างนั้นต่างกันเพราะเหตุว่าสมณะเพศนี่เนะี่ยเป็นอุโดมเพศเป็นเพศอันสูงกว่าขเรือหัดเพราะฉะนั้นความประพฤติมันก็จะต้องละเอียดประณีตกว่าขรือหัดนั้นให้เข้าใจ ดังนั้นถ้าหากว่าผู้ใดไม่พอใจอย่างมากแล้วการบวชเข้ามาก็อยอมได้ดับความเดือดร้อนนะอย่างเช่นเคยนอนจนว่าตะวันโด่งนั่นจึงตื่นก็มีบางค น, นอยู่บ้านอยู่เรือนนะบัะมนี้เมื่อมาบวชในวัดวาศาสนาแล้ว จะไปนอนจนตะวันโด่งนั่นไม่ได้ผิดระเบียบผิดธรรมะมแล้วก็เป็นเหตุให้สะสมกองกิเลสให้หนานแน่นขึ้นในใจผู้ใดนอนมากนะดังนั้นจึงได้มีระเบียบทาวัดสุดมนต์แต่หัวลุ่ง ก็เพื่อที่จะปลุกบุกคคลผู้ที่ชอบนอนให้ฝึกจนนอนตื่นลึกให้ได้ถ้าผู้ใดเกียดคร้านนอนตื่นสายไม่พยายามฝึกจนก็คงจะละอายแก่ใจในเมื่อเห็นผู้อื่นเขา ขยันเหมือนเพียนผู้อื่นเขาขยันหมันเพียนตนเองเกียดคร้านเช่นนี้แต่เป็นคนวางดีตัวตัวเองมันก็ต้องละอายเพื่อนจำเป็นก็ต้องเตือนตนให้ขยันเข้าไปตื่นดึกรุกเท่าแล้วทำอะไรก็ต้องให้ทันกับการกับเวลา ไม่เฉพาะแต่ตื่นลึกลุกเช้าตอนนั้นแหละแม่คะทำข้อวัดปฏิบัติอย่างอืน่นก็ต้องให้มีสติสมบัติเนื้ละลึกให้ได้ทันกับการกับเวลาถ้าไม่ทำให้ทันกับการเวลามันก็ทำไม่ได้ทำคนอื่นก็ทำไปเสียอย่างนี้แหละ เมื่อผูใ้ใดฝึกในิสัยให้เฉยช้อชาอย่างนั้นก็เลยไม่ได้กระทำข้อวัดปฏิบัติให้สมบูรณ์ก็อบอกพร่องไปการบวชมันก็ไม่สมบูรณ์ไม่มีผลมากมกิเลสมันก็ไม่เบาวางลงเพราะฉะนั้นให้พากันพิจารณาดู นี่หละที่ท่านสอนในทำความพอใจให้มากๆนั่นเนะเมื่อเรามีความพอใจในการประพฤติพโมจรย์นี้ให้มากๆแล้วข้อวัดปฏิบัติที่สำหรับพิกษุสัมมเณรจะพึงกระทำก็มองเห็นว่าเป็นสิ่งแท่ไม่เหลือวิสัยเราสามารถทำได้เมือม่อเมื่อความพอใจเกิดมีแล้ว แต่ความพอใจไม่มีแล้วก็มันทำไม่ได้เห็นว่าทำได้ยากลำบากเรียนนอนตื่นดึกอย่างนี้แหละก็ไม่ไหวเราอ่ะไม่ไหวเรนอนตื่นดึกมีแต่ ง, ง่วงเงาเ้านอนนั่งภาวนาก็มีแต่ ง, ง่วงแล้วมันจะได้ผลอะไร บางคนก็คิดอย่างนั้นนะจึงได้ น, นอนเอาเสียเต็มอิม่มผู้คิดเช่นนั้นนะว่าเป็นผู้ไม่คิดที่จะฝึกตนผู้ที่คิดฝึกตนแล้วง่วงก็ง่วงไปถ้ามันง่วงสู้ไว้ไหวจริงๆลุกไปเดินจงกรมล้างหน้าล้างตาหาอบายกรรมจัดของง่วงออกไป มันหายง่วงแล้วจะเข้ามานั่งสมาธิไหมใครก็ไม่ว่าอะไรแต่จะไปหลบลีหนีไปนอนเท่านั้นต้องหาอุบายฝึกตนอันนี้แหละทิฏฐิทันว่าเมื่อความพอใจมีแล้วความภาคเพียรก็ย่อมมีไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยก้น ไม่ได้ด้วยมนก็นเอาด้วยคาถานี่ท่านกล่าวกันเป็นคำกรอนมาก็เราต้องมีอุบายอย่างนี้แหละสอนตนของตนฝึกตนไปเข้ามาหาโมกขลา น, นะเมื่อบวชเข้ามาแล้ว ท่านเป็นนั่งภาวนาก็มีแต่งโงกแต่ง่วงพระศาสดาทรงเล็งยานทองดูก็รู้ได้ดูได้แล้วพระองค์ก็เปล่งพระรัศมีไปคล้ายๆกับพระองค์ไปประทับยืนอยู่ต่อหน้าแล้วก็ไปตักเตือนท่านให้หาอุบายละขม ง, ง่วงโดยวิธีต่างๆ เห็นไปเดินจงกรมบ้างล้างหน้าบ้างแงนดูดวงดาวบนท้องฟ้าบ้างท่องบนสาทยายบทเรียนต่างๆบ้างแล้วก็พิกําหนดพิจารณาธรรมะบางข้อบางเรื่องที่ตนชอบใจพินาเมื่อจิตใจมันฝากไฝ่ไปในทางธรรมะแล้ว ความง่วงมันก็หายการที่มันง่วงก็เพราะมันยินดีในความหลับความนอนจิตใจมันเอียงไปอย่างนั้นมันจึงหนึ่งง่วงนะถ้าใจมันชื่นชมยินดีต่อธรรมะต่อข้อวัดปฏิบัติ ต, ต่างๆเหล่านี้อยู่นะมันไม่ง่วงเลเมื่อมันได้นอนพอสมมาตรงควรแล้วมันไม่ง่วงหรอก เพราะฉะนั้นขอให้พากันตั้งอกตั้งใจตั้งความภาคเพียรลงไปอย่าไปท้อถอยความวงเหาหานอนอกันน่นเป็นอุปสรรคต่อการเจริญสมาธิภาวนาไม่ใช่ย้อยนะแต่เว้นเสียแต่ว่ามันนอนน้อยนอนหลับไปน้อยเดียวไม่เพียงพอ อันนั้นมันก็ง่วงเอ่อด่นนั้นเรียกว่าง่วงตามธรรมดาซึ่งร่างกายเคยพักผ่อนนอนสี่ชั่วโมงอย่างนี้นะไปนอนได้เพียงชั่วโมงสองชั่วโมงเท่านี้อย่างนี้มันก็ง่วงเป็นธรรมดาเดืมถ้าอย่างนั้นก่อนนอนสักพักหนึ่งอธิษฐานใจไว้ว่า พาวเจ้าข้าพรเจ้าจะนอนพอสมควรพอาตื่นขึ้นแล้วจะรีบลุกขึ้นทำความเพียรต่อไปเมื่ออธิษฐานใจว่าอย่างนี้นั่นนอนหลับไปพอสมควรนะมันมันก็ธรรมะก็ปลุกให้ตื่นได้ไม่เลยเวลาพอตื่นขึ้นมาตนได้อธิษฐานใจไปแล้วนี่มันก็รู้สึกได้รีบลุกขึ้น ไม่บิดขี้เกียรต่อไปอันนี้นว่าเป็นสิ่งที่ควรใส่ใจให้มากนะผู้บวชเข้ามาในศ า, าสนานี้แล้วเราไม่ได้ทำการงานหนักหนาอะไรไม่ได้กําพ้นทนแดดไม่ได้แบกไตหามอะไรพอที่จะเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าให้คิดดู อย่างที่เตือนแล้วเตือนเล่านะให้เตือนให้คิดถ้าเป็นการเงินหัด ก, ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งทํางานหนักตลอดวันเน็ดเหนื่อยจริงๆอย่างนั้นนอนก็จมไปเลยนี่ก็เป็นธรรมดาของผู้ผู้ครองเรือนแต่ผู้เป็นนักบวชนีส่สิไม่ได้ทํางานหนักหนาอะไรจะมาอ้างว่าเน็ดเหนื่อยเมื่อล้ายังไงได้หรอ ในในพากันตื่นตัวอความเป็นนักบวชนี่น่ะมันมีโอกาสเต็มที่เลยที่จะได้เพียกอ่าภาคเพียนพยายามฝึกตนตามธรรมตามวินัยให้ตรงต่อธรรมต่อวินัยมันมีโอกาสเต็มที่แล้วฉะนั้นพากันตั้ง อ, อกตั้งใจเอาต้องสอนตัวเอง ต้องเตือนตนเองด้วยตนเองมันจึงถูกต้องถ้าจะไปคอยให้แต่ผู้อื่นตักเตือนสังสอนอยู่เนี่ยจึงจะทำความดีได้อันนั้นไม่ใช่วิสัยของนักปราชญ์จะแล้วไม่ใช่วิสัยของบุคคลผู้เข้มแข็งเป็นนิสัยของบุคคลผู้อ่อนแอทอแท้ ผูอ้ออนแอเค่นั้นจะทำความเจริญเนี่แค่ตัวเองไม่ได้เลยทำความดีให้สูงขึ้นไปไม่ได้ดังนั้นให้พากันเข้าใจถ้าเราทำความอ่อนแอทอแท้อยู่ในชาตินี้แล้วอา้านิสัยในมกคติไปเกิดไปชาติหน้าก็ไปอ่อนแอทอแท่กทำความดีไม่ได้ ก็ตกอยู่ในห่วงแห่งกองทุกข์อยู่ล่ำไปเท่านั้นเองเนี่ยคิดดูให้มันเห็นในเมื่อเรามีร่างกายดีปกติไม่มีโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนมีกำลังวังชาดีอย่างนี้นะแล้วจะปล่อยให้มันชำรุดทุดโทรมไปเสียเปล่านั่นก็ น, น่าเสียดาย เวลายังหนุ่มยังแน่นนี่กดรีบถามความดีเอาซะอย่าไปเห็นจะแก่รับแก่นอนรีบฝึกตนเข้าไปทําให้กิเลสมันเบาบางออกไปจากกิจใจอา้าวถ้าไม่สามารถจะทําให้กิเลสจยางละเอียดหมดไปได้ก็ทําให้กิเลสอย่างหยาบเนี่ยมันเบาบางไป ก็ยังนับว่าดีโข อ, อยู่แล้วก็กิเลสยังงับนี่มันนำบุคคลได้ทำบาปตายแล้วไปตกนรกอบายภูมิดังที่เคยพูดมาบ่อยอยู่ดังนั้นทุกคนต้องไ้เห็นโทษของกิเลสยังงับนี่ความโลภความโกรธความหลงก็ดีหรือว่าราคะโทตโมหะ เหล่านี้นะเมื่อบุคคลใดสะสมเพื่อในใจให้มากๆแล้วมันก็เป็นเหตุให้ถ้าเป็นพิกตุสามเณรก็เป็นเหตุให้ล่วงทรรมล่วงวิในตั้งแต่อย่างเล็กน้อยไปจนถึงอย่างอย่างใหญ่อย่างหนักทีเดียวแหละหรือว่าตั้งแต่อย่างเบาไปถึงอย่างหนักเลยทีเดียว ถ้าเป็นกระเราหัดก็เป็นเหตุให้ทำบาปห้าอย่างฆ่ า, า, า, า, าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมกล่าวมุสาวาทดื่มทุราเมรยัยกัญชายาผินเฮโรอีนของเสพติดให้โทษต่างๆหมเรีย น, นี่มันรวนตั้งแต่เกิดจากความโลภโกรธหลง ที่สะสมไว้ในใจให้มากๆนี้เองดังนั้นเนี่ยผู้ที่บวชเข้ามาแล้วให้พิจารณาให้เห็นโทษของกิเลสเหล่านี้ด้วยปัญญาของตัวเองแล้วพยายามกำจัดมันให้มันเบาบางออกไปจากกิจใจกำจัดความโลภ ด้วยการถือสันตุถิธรรมคือยินดีตามมีตามได้ใครมีลาบสั ก, กระเท่าไหร่ก็ยินดีบริพกใจขอยอยู่เท่านั้นถ้ามีมากก็ต้องแบ่งปันให้ผู้อื่นไปบ้างถ้าไม่มากก็ ยินดีบริภคใจถอยอยู่เท่านั้นเห็นผู้อื่นมีอัติเรศกรลาบมากก็ไม่อยากได้ในทเทยอทยานก็แสดงมุทิตาจิตด้วยผู้อื่นขอยยินดีว่าผู้นั้นเป็นผู้มีบุญมากในทาบุญดำทานมาแต่ก่อนมากผลมันจึงอานวยให้มีอัติเรกกรลาบมาก ขออนุโมทนาด้วยไม่ออกปากก็นึกในใจเอาก็ได้นี่วิธีระงับความโลภอย่างงาบนะในถือสันตุถิตามีตามได้นี่เป็นคุณธรรมประจําใจเลยทีนี้เราจะเริญนเมตตากรุณาให้มากมากมเมตตานี่แหละนว่าเป็นคุณธรรมมันสําคัญส่วนหนึ่ง เขาบางคนโมกขาดเมตตาคือความปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้าแล้วมันก็ชอบใจในการเบียดเบียนสัตว์นั่นนหะสิลองคิดดูอ่ะคนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตัวน้อยตัวใหญ่ตัวเป็นให้ตายมือนี่ล้วนแต่คนไม่มีเมตตาไม่เอ็นดูสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่เขาก็รักชีวิตของเขาของมันเหมือนกัน ไม่คิดเลยนะเห็นมองเห็นชีวิตของสัตว์นั้นไม่มีความหมายอะไรเลยแม่สัตว์ซึ่งไม่เป็นอาหารเช่นลิ้นยุ่งบ่เลือดบอ่มดอืต่างๆโมเดลสัตว์คันต่างๆพวกงูพวกตะขาบแมลงป่อง เพราะนี่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีพิษเอามไว้ทำไม ม, มันจะมากัดมันจะมาจี้ให้คนได้เจ็บปวดทุกขเวทนาคิดอย่างนี้แนละ้วข้าจะลูกเดียวนี่ถ้าถ้าหวนมาคิดย้อนเข้ามาดูตัวเองบ้างเช่นนี้มันก็จะผ่อนหนักให้เป็นเบา ก็จะอาภัยให้สัตว์เหล่านั้นได้เพราะตัวเองนี่ก็มีพิษร้ายอยู่ในตัวอย่างมากมายทำไมไม่มองดูบ้างนะไอ้ตนไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาต้มมาแกงกินอยู่นะ น, นะอันนั้นจะว่าตนไม่ดูร้ายเลยมนุษย์เราเนี่ยชอบเอาเปรียบสัตว์รฉานเนี่ย ไม่ว่าแต่สัตว์นี้เมื่อมันโกรธมันพยาบาทแรงๆเข้ามาแม่มนุษย์มันก็ฆ่าได้ในอย่างนี้นะทาไมไม่มองดูบ้างมองดูตัวเราแต่ละคนนะ่ตนนะตนดูร้ายบ้างไหมถ้าย้อนเข้ามามองตัวเองได้อย่างนี้มันก็จะต้องเห็นว่าตัวเองนี่ดูร้ายยิ่งกว่าสัตว์เหล่านั้นอีกซ้ำ สัตว์เหล่านั้นเน่ะถ้าไม่มีใครไปแตะต้องมันมันก็ไม่กัดไม่ตอดอย่าง น, นี้อันนี้คนนี่อะไรต้งไปหามันเน่ะแสวงหาข้ามสัตว์ทั้งหลายแล้วเอามาทำอาหารเลี้ยงอัตภาพร่างกายตัวเองอย่างนี้นะจะไม่ถือว่าเป็นคนดุร้ายอย่างไรแล้วนี่แหละถ้าบุก ค, คล ควรกระแสจิตเข้ามาภายในแล้วพาพิจารณาเห็นปมด้อยของตัวเองเช่นนี้แล้วมันก็กควรจะให้อาภายัยระวา น, นี้นะมันก็คงจะใจอ่อนลงจะไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเพราะตัวเองก็รักชีวิตตัวเองไม่อยากให้ใครมาเบียดเบียนถึงสัตว์อื่นก็รักชีวิตเหมือนตัวเองนี่เองเนี้ย เช่นนี้เราก็พอพอนหนักแค่เป็นเบาได้วันนี้นะอถ้าหากว่าผู้ที่หลีเกเลี่ยงการฆ่าสัตว์ไม่ได้ก็จะไปเที่ยวฆ่าทั้งแต่สัตว์ที่จําเป็นที่เป็นอาหารเลี้ยงชีวิตเท่านั้นแต่สัตว์ที่ไม่ใช่เป็นอาหารเลี้ยงชีวิตก็ไม่เบียดเบียนมันปล่อยให้มันไปตามยาถากรรมของมันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมิได้พูดเพื่อส่งเสริม ไอ้คนฆ่าสัตว์นะแต่ธรรมดาถึงไม่พูดมันกกฆ่ากันอยู่แล้วแหละผู้ที่ไม่สำรวมในศีล น, นะแต่ว่าถ้าถัดตัดสินใจฆ่าสัตว์จริงๆก็กกหมายความว่าฆ่าตั้งแต่สัตว์ที่เป็นอาหารเท่านั้นสัตว์ที่ไม่เป็นอาหารอย่าไปฆ่ามันแต่ถ้าเว้นได้ไม่ฆ่าเสียเลยตัดเป็นอาหารก็ดี อย่างนี้ก็นับว่าเป็นวัฒนานาบุญของผู้นั้นผู้นั้นก็จะไม่ได้เสวยผลของบาปได้รับทุกข์ทนทรมานเพราะการทำลายล่างฐานชีวิตของสัตว์ทั้งหลายแต่ผู้ใดยอมตกนรกยอมรับบาปรับกรรมอันนั้นก็เอาทำไปไม่มีใครว่าอะไรถ้าไม่รักตัวไม่กลัวต่อความทุกข์ ถ้าผู้ใดรักตัวกลัวต่อความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าแล้วอย่างนี้ก็หาหนทางเว้นและพยายามเว้นให้ได้อย่ง น, นั้นนี่แหละคำว่าอิทิบาทนะให้พากันพิจนารณาตามที่แนะ น, นำนี้เราพอใจที่จะละบาปพอใจบาเพ็ญบุญกุศลใอย่างนี้มันก็ทำได้แล้ว มือบาปได่เห็นว่าไม่เป็นสิ่งที่ควรสะสมเลยเพราะว่ามันอำนวยผลให้เป็นทุกข์อย่างนี้พะพีรณาเห็นโดยปัญญาตัวเองอย่างนี้แล้วมันก็เบื่อหน่ายต่อบาปหละคนเราเนะ่ะเอา้าทำมันไปทำไมทำบาปนี่แล้วมันอำนวยผลให้ตนเป็นทุกข์นะแล้วจะทำไปทำไมอ่ะ คนไม่ต้องการทุกนี้เมื่อเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็มันก็พยายามงดเป็นบาปใดยคนเราถ้ามันอาศัยแต่อวิชชาตัณหาครอบงำ จ, จิตใจไม่คิดไม่พิจารณาเลยเช่นนี้มันก็ทำบาปเรื่อยไปได้แหละมันก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาท เดืมสุราเมลยัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอิ น, นแต่นี่แต่เป็นครรังหัดนะมันก็ทำบาปห้าอย่างนี้ได้ถ้าเป็นภิกษุก็ทำบาปห้าอย่างนั่นได้เหมือนกันแล้วก็ยังล่วงวิในของภิกษุสามเณรเข้าไปอีกโววินัยของภิกษุนนยดา่าคงบัญยัตห้ามความประพฤต ทั้งอย่างหาบทั้งอย่างกลางและอย่างละเอียดเข้าไปอีกอย่างนี้นะดังนั้นเน่ะให้พึ่งพากันตั้งใจอย่าไปลุกอำนาจแก่ความโลภความโกรธความหลงมันจะพาตนให้ตกทุกข์ได้ยากลำบาก อา้าวอย่าไปรู้อำนาจแก่ความรักความใครถ้าผู้เป็นนักบวชอ่ะเป็นกระรือหัดก็เหมือนกันนะถ้าไปรู้อำนาจแก่ความรักของใครเกินขอบเขตมันก็ปบบล่วงสินข้อที่สามการเมศสมจฉาจานนั่นแหละไปทาชู้จากไปทาชู้กับภรรยาของคนอื่นถ้าผู้ชายเนะี่ยอ้าผู้หญิงก็ไปทาชู้กับสามีคนอื่น อย่างนี้แหละหรือจะพูดอีกสำนวนหนึ่งจะเรียกว่าไปเล่นชู้จากสามีเล่นชู้จากภรรยาของตัวเองไม่ยินดีอยู่แต่ในคู่ผัวตัวเมียเท่านั้นในทางประเวณีในทางกามประเวณีนี่อย่างนี้แหละพูดในกลัวทุกข์ภายในสงสาร มีอบายภูมิทั้งสี่อิ น, นรกเป็นต้นดังกล่าวมาแล้วนะอย่าไปรู้อำนาจแก่ความโลภในกามมติหาดังกล่าวมานี้เป็นพระก็ต้องสำรวมจิตใจเขาสนให้แน่วแน่รักษาจิตตรงนี้ไว้ให้ได้อย่าอย่าให้มันวิศวิจาร์ไปในเรื่องความรักความใคร่ ถ้าเรารักษาจิตนี้ไม่ได้แล้วความรักความใคร่มันก็เกิดไม่ได้หรอกห้ามจิตได้แล้วมันเกิดไม่ได้มันจะเกิดเองนะเกิดไม่ได้นะถ้าจิตไม่คิดขึ้นไม่ดำริขึ้นแล้วมันไม่เกิดความรักความใคร่ทั้งหลายนะให้สังเกตดูแต่ถ้าหากว่ามันเผลอเกิดขึ้นคิดขึ้นมาอย่างนี้ก็รีบลบทิ้งไปเลย ลบทิ้งด้วยกระพร้กรรมฐานก็เหมือนอย่างคนเขียนหนังสือเมื่อเขียนหนังสือใส่กระดานป้ายลงไปแล้วหมดความต้องการแล้วก็ลบทิ้งมันจะเป็นอะไรนะอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเผลอคิดไปในทางไม่ดีรู้ตัวแล้วอย่างนี้กดลบทิ้งโดยกําหนดจิตละมันไม่คิดมันต่อไปอย่างนี้นะ เนี่ยเรียกว่าลบทิ้งรีบรลบมันทิ้งไปทันทีเลยอย่าอย่าให้มันคิดไปนานเมือ่อเรากำหนดละมันอย่างนั้นมันยิ่งมันก็เกิดทุกขกเวทนาไม่ใช่นนอะเหมือนกันแหละรีบเต็ ด, ดของราคะตัณหาน่ะบางคนก็อดล้นทนไม่ได้ก็เลยปล่อยคิดไปตามกระแสของกิเลสตัสีย จิตใจก็เศ้ามองขุ่นมัวไปดีไม่ดีก็ไปล่วงพระวินัยอย่างร้ายแรงหรือไปต้องอาบัตยังนักเข้าไปอย่างนี้นะผู้นั้นก็ชีวิตของระบบก็สุดโทมลงไปเสื่อมโทมลงไปไม่มีทางเจริญไปได้แล้ววันนั้ น, นก็ชื่อว่าบวชมาปเปล่าเปล่าไม่ได้บุญได้กุศลอะไรติดตัวไป ในใจบาปอมไอปานกันคิดให้มันเห็นดัง น, นั้นจึงว่าเมื่อบุคคลมาเห็นโทษของกิเลสต่างๆเหล่านี้แล้วในก็นบาเพ็ญกิธิบาทข้อที่สามาเอาใจจดจออ่อเอาใจจดจ่อต่อ สิ่งที่เราจะต้องเพียรพยายามละถอนมันม น, นั่นเองเมื่อจิตใจมันยังยึดมันอยู่ในกิเลสชนิดใดมากกว่ามุ่งนี่นะเราก็เอาใจจดจ่ออยู่ที่จะละกิเลสอันนั้นอยู่เรื่อยไปว่าแต่มันโผล่ขึ้นมาหน่อหนึ่งก็กําหนดละมันทันทีอย่างนี้แหละเรียกว่าจิตตะเอาใจฝัก ไปในเรื่องนั้นนั้นในกิจนั้นนั้นการเอาใจจดจ่อในอันที่จละกิเลสออกจากคิตใจนี่นับว่าสำคัญมากนะให้พากันเอาใจใส่เป็นพิเศษเอาใจจดจ่อต่อเรื่องอื่นไม่ไม่สำคัญเท่านี้แต่เรื่องอื่นก็สำคัญเหมือนกันแต่ว่าไม่สำคัญเท่าเอาใจจดจ่อต่อ ตัวเองตัวจิตนี่แหละมัดระวังจิตนี่ว่าอย่าให้มันการ ม, มาวิตกเกิดขึ้นอย่าให้ความดำริไปในความรักความใคร่เกิดขึ้นในใจอย่าให้พยาบาทวิตกเกิดขึ้นอย่าไปคิดแก้แค่ตอบแทนคนนั้นคนนี้ว่าคนนั้นได้ข่มเหงเราได้เบียดเบียนเรา เราจะต้องตอบแทนแต่ต้องแก้แค้นให้ได้ไปดำหลีอยู่นั้นท่านเรียกว่าพยาบาทวิสกขคิดแก้แค้นตอบแทนไม่ไม่ยกโทษไม่อภัยให้คนผู้พิชเช่นนี้มันก็จิตเป็นอกุศลแล้วสิวส่าสรความคิดที่เป็นอกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจมากๆเข้าไปแล้ว มันก็นยับยังไม่ไม่ไหวก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดเบียดเบียนคนอื่นกระทบกระทั่งคนอื่นให้เจ็บให้ปวดให้ล้มให้ตายให้ทุกขเวทนาไปต่างๆนานาอย่างนั้ น, ย น, นพยาบาทวิตกเหล่านี้ก็ระวังอย่าให้มันเกิดขึ้นยองสาวิตกความคิดจะเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายโมนี่อย่าอย่าให้มันเกิดมีขึ้น เพิกไว้บุคคลผู้ถึงแม้นเป็นนักกวัวก็ตามเหละยยกตัวอย่างให้ฟังเช่นอย่างว่าเมื่อเห็นเขาชนไก่กัดปลาชนควายชนวัวอะไรหมกนี้นะยินดีอยากจะไปดูอยากจะไปชมอันนี้เรียกว่าวิหิงสาวิตกความคิดส่งเสริมในการเบียดเบียน ตนเองไม่ลงมือทำดอกแต่เห็นคนอื่นเขาทำก็พอใจพอใจนั่นแ่ะมันถึงไปดูกันแสดงว็ไปส่งเสริมเขานั่นแหละเราต้องฝึ ก, กวเต็บตอนเป็นนักบวชปูวดอยู่นี่นะฝึ ก, ก จ, จิตใจให้ละอกุศลวิตกทั้งสามประการนี่ให้มันได้แล้ว หากว่าอยู่ไม่ได้ในศ า, า, าสนาศึกษาลาเพศออกไปก็จะได้สํารวมในสัตว์ทั้งหลายให้ได้เต็มที่เลยจะไม่ได้สร้างกรรมสร้างเวทใส่ตัวเองให้มากมายเกินส่วนนี่ถ้าหากว่าผู้ประพฤติพรหมาจรรย์อยู่ไปได้มันก็จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยพรหมาจรารย์ของผู้นั้นนะแล้วก็จะไม่มีศัตรู ไม่มีใครคิดเปลียนเปียนเลยเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้ล่วงพระวินัยอย่างไร้แรงเกี่ยวกับการประพฤติต่อเพศตรงกันข้ามมโอนีนะนั่นแหลต้องระมัดระวังให้ดีนี่มันเป็นภัยต่อชีวิตของผู้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างยิ่งให้ระวังภัย รายแลงอันนี้จะมาถึงตนจะเกิดขึ้นในตนนี่แต่ว่าเอาใจจดจออันนี้นะ่ะให้เข้าใจแล้วจดจอแล้ววันนี่เราเรากำหนดละอารมณ์เหล่านั้นได้แล้วกบใช้วิมังสาพิจารณาตรีตองทำไมเราจิตมันยังไปผูกพันอยู่กับ อารมณ์เหล่านี้เรื่องเหล่านี้มันมีคุณมีประโยชน์อย่างไรนี่เดยพิจารณาตริตองดูมันก็เห็นแหละเห็นว่าอ๋อมันไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่โทษถ้าเป็นเช่นนี้ควรหรอที่จะมาวิสกวิจารถึงเรื่องที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษอย่างนี้ไม่ควรเลยไม่ควรต่อนี้ไปต้องสังวนระวังมีสติควบคุมจิตของตนอยู่เสมอ อย่าไปเผอเลอร์เดนเดอ้อใช้วิมังสาตริตองพินายเห็นโทษมันด้วยปัญญาแล้วมันก็จะเบื่อหน่ายอารมณ์เช่นนั้นเมื่อเบื่อหน่ายแล้วมันก็คลายความยึดความถือมันก็จะไม่วิตกวิจารถึงมันต่อไปอีกนี่นะให้จำเอาไว้เนอะอกุศลวิตกสามอย่างนี่ให้กลัวดูจิตใจของตนว่ามีไหมมีอยู่ในใจไหมการ ม, มาวิตกนะ ตนนึกรักให้ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่โลกสมมุติว่าสวยว่างามเหล่านี้นะ่ะมีไหมในใจของตนนะ่ะถ้ามีก็พยายามเนะ่ยพยายามสัมรวมมีสติสัมปชัญญะรักษาจิตให้ ไ, ได้้วเพ่งกรรมฐานเป็นเครื่องระ ง, งับอันธามัญเผอเกิดขึ้นนะอือสุภกรรมฐานนั่นยอมเป็นเครื่องระ ง, งับ ราคะตัณหาได้อย่างดีราคะตัณหาอย่างหยาบยอมระงับด้วยอสุภะการเพ่งเห็นสิ่งรูปที่ตนรักตนใคร่เสียงที่ตนยินดีอย่งต่างแล้นนั้นให้เห็นเป็นอสุภะอสุพังของเน่าของเปื่อยของมีกลิ่นเหม็นตามสภาพเป็นจริงไม่ใช่แกล้งว่าเอาความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างนี้นะ ออแล้วทําไมจึงไม่ยอมรับความจริงนั้นทําไมจึงหลงว่าสวยว่างามอยู่นี่ปัญญานั่ะสอนจิตเข้าไปอย่างนี้เรื่อยๆไปจิตมันก็รู้สึกตัวได้ถ้าไม่ใครไม่ใช้ปัญญาสอนจิตอย่างว่านี่มันรู้สึกตัวไม่ได้หรอกอืมันยึดมันในอารมณ์ใดมันก็ไปตามอารมณ์นั่นแหละอย่างเต็มเบีย่ยงเลยเดียวว่าเบมเยงนั้น เพราะฉะนั้นวันนี้ได้แสดงให้พากันบำเพ็ญอิทธิบาทรมทั้งสี่ให้เกิดมีขึ้นในตนของตนให้ได้ผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่หรือผู้ครองเรือนก็าตามนี่ยเดีวยวว่าเราประพ์พุทภมิจันทร์เราต้องพอใจในการประพฤตุทธภมจันทร์นี่อย่าไปพอใจในขีหิเพศ เหตุของเรือขัดอย่าง น, นี้นะแล้วก็พอใจประพฤติตามหลักธรรมหลักวิในที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแต่งตั้งบัญญัติไว้เต็มที่เลยไม่มีข้อแม้อะไรทั้งสิ้นแหละทรงบัญญัติท่ไม่ให้ทำอะไรก็จะเว้นตามเลย อ, อ, อย่างนี้นะเดี๋ยวว่าเรามีความพอใจเต็มที่เลยนี่ก็ลงมือภาคเพมเมื่อพยายามปฏิบัติตาม เมื่อเราเพียรไปไม่ท้อไม่ถอยมันก็เป็นไปได้จิตใจก็เป็นธรรมเป็นวินัยไปห่างไกลจากกิเลสเรื่อยๆไปมเมื่อเห็นผลแห่งการปฏิบัติอย่างนี้มันมีความสบายปลอดโปร่งได้เท่าไหรจิตใจมันก็จดจ่ออยู่ในข้อปฏิบัติเหล่านี้ไม่ถอยวิมังสามักมันตรีตองแก้ไขเมื่อมันพังเพลได้สร้างกิเลสอะไรขึ้นมา หรือมีอุปสรรคอะไรในจิตใจนี่มันไม่ทปปะลุวุกงก็ใช้วิมังสาพิจารณาเพราะเหตุอะไรจิตใจมันจึงไม่ปลอดโกงมันจึงอึดอัดค้นหาเหตุให้ได้เมื่อค้นเหตุได้แล้วรู้เหตุด้านแล้วก็ละเหตุด้านเสียแล้วจิตใจมันก็ปลอดโปกงไปตามเดิมดังแสดงมา